มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์ธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จงควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกเหือจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไร พูดถึงเรื่องความเลิกความประเสริฐในหลักธรรมชาติของสิ่งสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมแล้วความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่ เป็นมนุษย์สักแต่ ร, ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิของมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยนีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแห้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลื่อนเป ร, เรอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมจึงชื่อว่า เราเหมาะเรเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ต่างใจประพฤติปฏิบัติตามกํากลังความสามารถของตนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทางจิตตพภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะเอ่ยมองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาพปฏิบัติคือจิตตพภาวนา การภาวนาท่านถือเป็นสําคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาท่านพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวสปริยั ต, ยตได้จากการศึกษาเ ร, าเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเ ร, าเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้ว เพื่อปฏิบัติตามเสยนทิศทางเดินที่ได้เรีอนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้จากความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตนั้นในขรังพุตธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น ขัะผู้จะเป็นสาวกอรหรันอรหรันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะท่านบวชท่านสั่งสอนพรจะบรรยกาศธรรมฐานเช่นจะว่าเอหิปิคูปสัมปทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทาเหล่ากาดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินนั่นแหลเป็นการให้โอว่าผู้ที่ สับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเป็นท่านสอนว่เกสาโลมานะคาะทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกศาคืออะไรโลมานะคาะทันตาตะโจแต่แตและอย่างนัอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธจ้าผัสสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกแนแง่ทุกมุมโดยลำหนับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้น น, นั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรแล้วธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบก็จะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันปิดใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง แต่ว่าสิ่งใดเป็นไรก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเบียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลำํำดับ ล, ล, ลําดับลำดับปล่อยวางภาระคือความมิ่มัน่นถึงมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน ที่สืบเนื่องมาจากการเรียรู้ษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลหลับลำดับอย่างนี้ข้างพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรนนี้ที่ท่านกลา่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกระถึงนี้ก็มี นักเทศแต่ธรรมกัถกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกัถกทั่วๆไปพระธรรมกัถุก็เช่นอย่าง พ, พระปุณณมนาถมันตานีบุตรท่านเป็นธรรมกัถกเอกสันมากท่านยกเอาสัญเลขกคาถาเป็นเครื่องแสดงสัญเลขาถาคือ กาวถึงเรื่องคำขัดเก่าที่เละทั้งนั้นนับแต่อปิติตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยมุติยาทัศนะมี ธ, มธ า, น, า น, นมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอคะในทางธรรมกถึกเรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกพระปุรยมันตนีบุตท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากปิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆ ไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจ ย, ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระ ป, ปณิปุญญาพรณมันตฑนีบุตรนั้นท่านเป็นพระหรหันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัสเลกก ร, รํา ทั้งสิประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกถึกที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นความถูกต้องมีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกถึกที่มีปิเลตมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทั้งพุกฎการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหือเดียวกัาปริยาตจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นุปนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายคลองเป็นพระผู้สูตรแต่ไม่ใช่พระผู้สูตรดังพระอานุน เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้งห้าร้อยทั้งๆที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระ พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงชนะเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้ น, น, นเมื่อท่านทรงตาหนิพระโภธิราช ถ้าโพธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย่ำแล้วย่ำเล่าอยู่นั้นแหละโพธิรัตก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียน่เปล่าๆคุณยังไงบอกหัวล้นเปล่าๆก็ว่าไปเลยอ่อยท่านอาจารย์มัน่นทันเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าอืกินเปล่านอนเปล่าทัานว่าไปเลยท่านแปลาจากโพธิราชอันเดียวเท่นั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกเพียงเรื่องของพระ โปรธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สำหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งเถือประโยชน์อยู่แล้วแบบเต็มอย่างเต็มใจฟังเห็นเวลาท่านทรงเรียกพระโปธิรักชมีโปรธิราชเข้ามาโปรธิรเธอจงไปอะไรกับโปธิราชโปธิราชแล้วบาลันเปล่าบาลานเปล่ า, ล า, าเลี้ยนเปล่ า, าแก้ที่เหลืตัวเดียวก็ไม่ได้เลี้ยนเปล่าที่เหลือมากพอพกบกูม้นโดยลํำดับอะไรท่าน หาอบายว่าให้พระโพธิราชเวลา ท, ทูลวลากลับไปแล้วด้วยความโดดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้งห้าร้อยองค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่ง ซึ่งสำนักนั้นล้วนแยะตั้งแต่เป็นพระรหันธ์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามมณีน้อยเป็นพระรหันธ์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความโศกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชญในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปธิราชโปธิราชโปธิราชไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรง ชมเชยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการนึกษาเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงทรงต้องทรงชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติขอก้าเข้าไปสู่สำนักธรรมหาเทระตามที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระหันท่านฉลาด แย้งคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายทำตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้เพราะท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพรนอาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถนะแต่าลังถ้าท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองนั้นองค์นั้นก็หาวุบาพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองคนั้นให้ไปหาองนั้นองคไหนพูดแบบเดียวกันแต่หมดจนกระทั่งถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกคิดเน้นก็พูดทำนองเดียวกันท่นี้พระมหาเถระท่านเห็นถ้ามายการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เน้นก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันภาดยากมาลองทดลองดูดูที่เนเ้นมันจะถ้ามีอุบาย ส, สั่งสอนท่านได้ไหมตุลงก็เลย ท่านก็มอบกายสบายตัวต่อเมรนั่นทันทีแล้วเรนนั้นก็สอนทีเราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เรนสอนพระมหาเถระนี่หาวบาลสอนดุวิธิต่างๆเช่นแทบให้พระมหาเถระแป๊วนั้นมาให้ให้แปลวนี้มาให้บ้างและให้ครองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัต ถ, ถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็ให้พระมหาเถระกลองข้าไปถ้าจะเปรียบ ที่วันจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่ะหาเอาใบความจริงเป็นการทดลองทางน้นพระมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นอะ่ะไม่มีขัดสมกับคาที่วัดมอบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นรคๆน่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ำที่กินท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามาันลำบากน้ำเกาะผ้ามัางอะไรหาอุบายหลายแย่หลายมุมจนกระ ท, ทั่งทราบชัดว่าพ ร, พระองค์นี้ไม่มีทิฏฐิมรนะเป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆิแล้วท่านจึงได้สอนเน้นสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนนี่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู ทา่านวเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านจง ป, ปิดในห้าช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเหี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเรียบเทีย ในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกนี่ท่านแยกงนะท่านพุทโธเอาพุม า, มาเข้ามามันมีทวารหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งยิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวารทั้งห้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ได้อะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้นล้วน ให้พิจารณาดูที่นี่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติต้องมองอดูอยู่ตลอดเวลาไม่มิไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี่ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปทางเกลียดโกรธกับอะไรก็จะทราบได้ทุกระยะยะเพราะความมีสติ กำกับรักษาอยู่กับความรู้อันนี้พระเถระองนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเมรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำหนับลหนัเนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนเป็นอาจารย์ธรรมาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ก็ทรงสั่งสอนและถ ก, ก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนานเหมือเด็กเนนก็ ก, กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมานะทุกกิ่งทุกอย่า ง, างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมานะอนไดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ไดเรียนมากและเป็นหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิยาอาการที่ขึินแสดงขึ้นความสนใจเป็นที่ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดม า, าพระพุทธเจ้าความทรงสอนปัญญาเวชัยติภูริสิปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนา ม, มั่นคงเพราะความเจียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนนิปัจนาในขณะนั้น แยกธาตุแยกขันธ์อายตุนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเทระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆโดยทางยิปัตินาออกจากนั้นก็นมาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารยัยญาแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของปิดส่วนมา ก, กปิดไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวนี้ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตมมั่งว่า เวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิงหนึ่งของมันด้วยหน้าของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลามาลาเพราะความหลงกับสิ่งนี้แล้วยังได้รับความบอบช้าทางด้านจิตใจอีกด้วย เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิตริยนาให้เห็นตามความจริงของมันเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรงประทานเอ่ว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรทเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามจะคืออะไรแล้วรวมกันยูนี่เรียกว่ารูปสภาพความมันอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยกรรมบัมัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิคูนโสโครกเหมือนกับป่าชาพีดิษเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาจฐานถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้จําตุกขังนักตาเป็นป่าชาพีดิษบ้างเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะจงพิจารณาสิ่งอหลนี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้วยเข้ามาก็คือสกุลละกาย เต็มไปด้วยปุพเโลหิตน้ำเน่าน้ําหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยูดว่าเป็นเอาของเราด้วยความตน็ดใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความจปีนของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกตับทําลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนเมทนาก็พิจารณาแยกแยกให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทัางทางการและทางใจ เป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายนัให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาหลงตนเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอะไรก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจึงเจ อ, จเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความนุ่มหลงนั่นสอน สัญญากัคือความจําจําแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้องการก็จําขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเวชนาทั้งสัญญาทั้งทั้งขานทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาสิ่งหนึ่งให้เข้าใจด้วยเจมแจ้งชัดเจนหรือกระจักเพื่อปัญญาแล้วอาการทั้งหา้า น, นี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปควา ม, มนแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาแต่และอย่างอย่างหรือกับเป็นอาการของขนัน ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิจส่วนรูปเป็นเรื่องของรูปอันต่างหาแต่พราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่งโรงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรางานตามสิ่นักปราชญ์ท่านสอนเราระเัาเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับคำว่าของเราเหมือนกับเราเนียานาฏศาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้รุ่มหลงก็คือเราเนะีน่ยใเรื่ความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามโดยสิงเห่านี้โดยความรุ่มความหลงก็คือเราผลดูท้ายเราเป็นคนแย่เนะี่ยเพราะความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอณต่างอันต่างกิงไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปวดเครื่องภาชนะทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดนดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความปิ่งของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความอ้องบนกับเรื่องขันเพราะอํานาจของอุปทานนี้ไม่มีเนีให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแลคือเฮี้ยจริงๆอยู่ที่จิต ตัวเหี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมาเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเหี้ยจริงๆคืออะไรตัวเหี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัตจัรกรอืเพราะกิเลสอาวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกําหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายอย่างการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยลําดับดับด้วยปัญญาของเรา เมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่สงวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนะอาจารย์กาหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้า เราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนาตาบเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นใจรักได้ฟาดฟันหันแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี่เป็นเราจิตนี่เป็นของเราให้เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นของเรายังกําหนดให้พีให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพี่นะ มันไปแยกแยะให้มันเห็นทัต่างความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังตาที่แทรกในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขังตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปอุยประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมุติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังตาจริงไม่มีภายในจิต ทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คิดหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอ<ม>ืเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกถ้าโพธิสัตว์ก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระอุบาทจบลงในขณะนั้น พอเข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเฮีย้ยหใหญ่นี้ให้ทําลายตัวเฮีย้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญ า, าปัญญาเวชาย เ, เตภูริทําปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายพจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะีน่ก็ให้ย่างเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเรฒ์ทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มเพื่อวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้ แต่กระจายเอาไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำไม่เฮี้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาการพิจรารณาทํรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่ล้วพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขัางพุทการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติปฏิบัติเลยความจําอัดจําทําได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้เจ้าขาแต่เวลาเอาแก้มาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไร น, นี่คำว่าทำนั้นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่เราได้ร่ำเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละทำคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางทางด้านการปฏิบัติ วิมุตคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตแล้วไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสังสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งเป็นหมด ท, ทั้งที่ตนสาคัญมตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันวนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาตุความจริง น, นี้แล้วให้หายบ่น จึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสเพื่อการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสเดื่อการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิบูตเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะปร ะ, ประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ลาคาญเลยและให้เราเสียเวลาเวลาเลย แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งๆ ท, ท, ที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทำไมนะเพราะความจริงเส ม, มอกันคำว่าสันติิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เอง mm hmm. เห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติโดยพวกทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งกุฎการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าภูปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยขอปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดขั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเสียตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการประพื่อปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมากแปดคือ สมาธิิิเป็นต้นมีสมาธิที่เป็นสูตรที่ท่านเรียกมัชชิมานี้จึงเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรม ส, ำสม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้ที่เหลื อ, อาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชชิมาปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลำดับนะผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใคร ขอให้ําเนินทมหลักธรรมนี้ให้ถูกต้ อ, องเท่า น, นั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งถึงควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเข็ดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยฉนช่นใจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องมรรคผลนิพพานว่าสิ้นเข็ดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็ อ, อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าตาวตุนของตนเองนอกจากนั้นก็ทําคนอื่นให้โ ง, ง่ไปด้วยถ้าพู้ต้องการจะโง่ยอยู่แล้วโง่ได้จริงๆ เพราะคําทําคําคํานี้เป็นคําพูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเคือพรพุทธทางสนางอฉ า, าณนี้แล้วจะไม่สนใจกับคํานี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้ทาทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแหลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือาศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นอย่างแล้ว มานำประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่ถึงพอใจโดยลำหนับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอวิติเพียงเท่านี้เพียงแค่เท่านี้